ท่านฟังที่ครบคะ่ะการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกิดผลกับตัวของท่านเองนะคะแล้วก็ท่านที่ยังมีความสงสัยนีย่งงก็ฟังตามท่านมารคพูดเนี่ยนะก็พยายามทำไม่รู้ว่าทำแล้วก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรขอให้พยายามทำไปแต่ส่วนจะมีแง่มุมไหนที่จะเพิ่มเติมขึ้นอีกในช่วงเวลาที่สองเราก็ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งก็คือ พระภปบุตรอภิปุโนนะคะจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีดิฉันก็จะได้ถือโอกาสกราบสนทนาเรียนถามแทนท่านผู้ฟังทั้งหลายบ้างวันนี้ก็ไปพบกับท่านกันเลยค่ะนมส ก, การกขอท่านคะเชิอานก็เรื่องของการปฏิบัติธรรมอืมวันนี้ที่ท่านได้พบในคอร์สครั้งนี้มีคนใหม่เยอะไหมคะโอ้ก็ประมาณสักสองในสามอืมค่ะสองในสาม มานี่จะเป็นเพื่อนๆกันมาหรือว่ากระต่างคนต่างมาะคะก็ส่วนใหญ่ชักชวนกันมามชักชวนกันมาด้วยสมมติคนนี้ไปมาแล้วอะดี ก, ก็บอกต่อแต่จะไม่ได้มาด้วยกันนะะชักชวนกันมาบางคนก็เจอจากทางเว็บไซต์บ้างบางคนก็เป็นญาติพี่น้องกันก็ชักชวนมาคจริงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีคือถ้าใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่หนึ่งแล้ว เ, เกิดความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ย พระพาบอกว่าใครก็ตามที่เป็นญาติมิตรอมานเพื่อนร่วมสายโลหิตที่เขาพอจะฟังเราให้ชักชวนเขาเข้ามาในการรู้อริยสัจสี่ให้ชักชวนมาในการรู้อริยสัจสี่เราควรจะชักชวนกันไปนในทางนีนค้คือในส่วนตัวเนี่ยก็ มีคารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมันเกิดความรู้สึกหดหูใจกับเราขึ้นอย่างรุนแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อมีเมื่อไม่กี่วันดิฉันไปเยี่ยมไข้คนที่เคารพนับถือกันซึ่งท่านป่วยเป็นมะเร็งนะคะแต่ก็ตัวท่านก็ดูสีหน้าเบิกบานยังไม่ได้หมดหมองเพราะว่า โรคภัยรุมเราคือท่านอาจจะหมดหมองแล้วไม่บอกเราก็ได้แต่จากการดูแลอะไรก็แล้วแต่ท่านดูดีแต่ในขณะที่ไปเนี่ยค่ะที่ฉันได้รับฟังว่าโอ้ยมีข่าวนะคนนี้นะเขาเพิ่งถูกภาษาภาษาบ้านๆเขาว่าเด้งจากที่นี่อืมเป็นพยาการชั้นผู้ใหญ่ละอ่าทําท่าว่าอาจจะเติบโตแต่ไม่เติบโตถูกเด้งไปอีกที่หนึ่าพอวันใกล้ๆ ก, ก, กันเลยถัดมาวันสองวันได้ข่าวว่าลูกชาย เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอืนะคะคือคนคนเดียวกันนะคะโอ๊ยทาไมชะตาชีวิตมนุษย์หน้ามีทุกหนึ่งเรื่องแล้วมันก็ทุกอีกเรื่องแล้วก็เหมือนดวงใจลูกชายเป็นคนโตซะด้วยออืเรื่องถัดมาเป็นเรื่องคนสนิทกันอีกคนหนึ่งก็เห็นดูสาวสดงดงามหลังเป็นมะเร็งอื่มาอย่างมากอีกแล้วแล้วก็ไปเจอคนหนุ่มอีกคนหน้าตาดีเลยนะคะแต่มีรอยของบาดแผลเขาบอกคนเนี้ย เป็นฐานอยู่ที่ภาคใต้แล้วถูกระเบิดสมองเข้าวิการต้องมานั่งขายลอตเตอรี่โดยมีญาติเป็นพี่เลยยงอะไรเงี้ยงงนะนราสุดว่ามนุษย์นึ่มันมีความทุกข์จังทำไมทาไมความหดหูนี้มันถึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงได้และไอ้ความ ห, หูเนี่ยมันทำลายเรามากไหมมันเป็นประโยชน์อะไรหรือเปล่าอ๋ออันนี้มันมีอยู่สองประเด็นนะตรงนี้ตัวอย่างที่คุณโยมติ๋วยกมาดีมากแยกได้เป็นสองกรณี กรณีแรกคือพูดถึงคนที่เจอเคราะห์ร้ายซ้ําแล้วซ้ำเล่านะเคราะห์ร้ายซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างเช่นว่าคนที่ถูกเด้งย้ายลูกมาประสบบัติเสียชีวิตภรรยาเป็นโรคร้ายคนเดียวกันเนี่ยนะเจอแต่พัสดุที่ไม่น่าพอใจอันนี้นะเป็นประการที่หแต่เดียวกรณีนี้ภรรยานี่ไม่ใช่คนเดียวกันเข้าใจเข้าใจนี่คือคือคือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นกรณีที่บ่งบอกว่าบุญเราเนี่ยเริ่มลดลงไป S <S นะพระพุทาพูดถึงบุญคืออะไรบุญคือความสุขนะถ้าคุณไม่มีบุญคุณไม่เจอความสุขนะความสุขนะที่จะผันมาทางภรรษานะบุญเนี่ยเปรียบเส ม, มือนวัตถุ ด, ดิบคุณโยมติววัตถุ ด, ดิบที่จะผันแปลผันออกมาเป็นความสุขทางภรรษาทั้งหลายเช่นบางคนพ่อแม่ทําบุญอย่างดี้ดีทำบุญเรื่อยๆตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากแต่ปรากฏบุญไปออกทางลูก <S 2> <S 2> นะลูกลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นหมอได้งานดีเงินเดือนเป็นหลายๆแสน น, นี่แสดงว่าบุญที่เขาทำเนี่ยให้ผลผ่านไปทางลูกทําไมให้ผ่านไปทางลูกทำไมแม่ตัวเขาก็ตัวเขามันไม่มีช่องให้ออกนะมันไปออกทางลูกทําไมต้องออกทางลูกออกคนอื่นได้ไหมก็อาจจะได้คนไหนที่มีผัสสะก ร, ะราวดีๆคนนั้นมันเจาะออทางนั้นได้อ่าถ้ามันรักเราถ้าบุญดีจะออกอกรรมดีจะออกเป็นบุญใช่ไหมก็จะเกิดสิ่งดีๆกับคนที่เรารักนะถ้ากรรมชั่วมันจะออกมาเป็นบาปเนี่ยนะบาปมันจะออกมาทางเป็นกรรมชั่วเนี่ยมันก็จะออกในสิ่งที่เรารักให้คนนั้นประสบความไม่ดี ตัวเองโดนไม่ดีมีช่องให้ออกให้ให้กำรรชั่วออกก็ออกแล้วนะคนที่เรารักทั้งหมดก็จะโดนหางเลขไปด้วยอันนี้เป็นธรรมดามนะเพรา ะ, ะนั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณต้องเร่งสร้างบุญละบุญเราเริ่มลดละ<ค>นะอันนี้กรณีที่หนึ่งอันนี้คือกรณีทั่ ว, วไปนะ่ะอ<ค>ันนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดว่าว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะมัน<ค>ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่พระธเจ้าพูดถึงความไม่เที่ยง เหตุ5อย่างนี้นะไม่ว่าใครในโลกนี้เทวดาเทพมารรมหรือใครๆในโลกนะพิสูจน์ทรรูปไหนนักเืองคนไหนหรือใครก็แล้วแต่จะไม่มีทางได้ไม่มีทางได้ไม่มีทางได้นะอันที่1คือขอสิ่งที่ต้องชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิพหายไปเลยนะขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยนะขอสิ่งที่มีความเเสื่่่่่่อออมไไไไไปปปปปแแกกตตาาาาายยยยยวล แต่ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าใครในโลกนี้ไม่มีทางได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นกรณียากอย่างที่อาตมาบอกนะว่าเออเป็นเครื่องบ่งบอกนะว่ า, าบุญคุณเริ่มลดลงแล้วนะถ้ามันเจอเป็นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีกซ้ำซ้ำย้ำๆเนี่ยแสดงว่าอันนี้คุณต้องเร่งสร้างบุญล <Okay. S 1> นะด้วยการปฏิบัติธรรมก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามกระบวนการอะไรที่จะสร้างบุญได้คุณทําเลย <Okay. S 1> นะไม่ใช่เฉพาะให้ทานนะพูดถึงนั่งสมาธิด้วย นะพูดถึงแต่น้ําทํารมาด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะอ๋อเราสนใจมากนะคะคือให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าถ้าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นเนี่ยอ่าน่าจะเป็นเรื่องของบุญมันถดถอยใช่ให้ทาบุญทุกประเภทที่ทําได้ให้ฉกเวยว่างั้นเหรอใช่ะคะ่ะประการที่สองบอกว่าเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยถูกไหมคะถูกต้องหลักตรายลัตขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องมีการ <ME> เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนก็ดับก็สิ้นก็สลายก็ถูกทําลายอืไม่มีใครในโลกใบ น, นี้เลยเวน้นพระพุทธองค์รงพระพุทธาจ้าก็ก็ไม่ได้เอายังขันสังขารของพระองค์เองนะแขนขาพวกนี้อยู่ไหนถูกเผาหมดแล้วคุณโยมติว๋วไม่เหลือเหลือแต่ธาตุพระธาตุพระรุ่งประารีก็ธาตุนะซึ่งเราเห็นเห็นกันอยู่แต่แขนขาอะไรไม่มีแล้วถูกเผาหมดจี้วานพระพุทธเจ้าไปไหนโอ้ยถูกเผาไปไหนแล้ว ไไม่ใด้อและทั้งสองข้อนี้ท่านบอกว่าต้องเร่งทําบุญทุกประเภ<ช>ทผ่านศีลภาวนาออย่างน้อยสมมตินคนที่จะจะตายหรือ <ทะ S 1> คนที่จะเป็นโรคหนักคุณเป็นโรคก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้ความทุกข์จากโรคนั้นมากนะเช่นว่าเจ็บปวดอาจจะไม่เจ็บปวดมากหรือเจ็บปวดมากอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีทางที่ให้เราลอดไปได้นะสมมุติว่าคุณตายจริงนะมันรอดพ้นใบไม่ได้ความตายเนี่ยคุณก็ยังได้ไปเกิดในภพใหม่ที่ดี ไม่ต้องมีกายนี้ให้มันมาปวดหัวอีกในกายของเราต้องมาดูแลก็เป็นกายที่ที่ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นต้นไว้เรื่องปฏิบัติอาจจะมีคนคอยฟังอยู่แล้วก็ได้บอกเอ้คุณสรนสนีนี่ชอบโกนเริ่มอย่างหนึ่งไปอีกอย่างนึงเลยกําลังจะเข้าที่แล้วค่ะ <c oughs> จะถามเรื่องปฏิบัติดิฉันเองก็มักจะบอกคนใกล้ชิดนะคะว่าอลองสี่เปิดซีดีให้ฟังพยายามทํา <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเขาก็พยายามอยู่อันนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ บอกว่าแต่นะจําได้ว่านานมาแล้วดิฉันเองไปเล่าให้เขาฟังตอนไหนก็ไม่ทราบว่าพอนั่งสมาธิแล้วเห็นชายวัตถุของใครก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกเลยนะคะหรืออาจจะเล่าประสบการณ์คนอื่นเขาบอกเขานั่งทีไหเก็จะมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจเลยอืมค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลประการหนึ่งนะคะที่คนบางคนอาจจะกลัวบางคนอาจจะเคยเห็นเองก็ได้เออเรื่องเรื่องความกลัวนี้ขอพูดนิดหนึ่งคุณจมติว๋วค่ะ อ, อคือถ้า ถ้าเผอว่าเราทําชั่วมาอย่างเช่นทําความไม่ดีมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์ยังมีนิวรณ์อยู่ยังพูดไม่ดีทําไม่ดีผิดศีลอยู่เนี่ยแล้วคุณนั่งสมาธิแล้วเกิดกลัวขึ้นมาอันนี้ถูกต้องแล้วเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาศีลของเราก็ตามกายวาจาใจรักษาให้ดีในพวกนี้เราจะเราจะสามารถนั่งสมาธิได้ที่นี้ประเด็นคือถ้าคุณรักษาตัวคุณอย่างดีแล้วกายวาจาใจอย่างดีละ พยายามที่จะไม่ให้มีนิวรรรักษาศีลฉันก็ทำดีแล้วนะฉันก็ไม่ได้คอยด่าใครว่าใครนั่งแล้วยังกลัวอีกเนี่ยนะอันนี้แหละเราต้องจัดการกับมันด้วยการฝืนนั่งไปนะพระเจ้าเคยตรัสไว้นะคุณโยมติ๋วที่บอกว่าพระพุทเจ้าบอกว่าพอความกลัวเกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ยด้วยอริยบทไหนนะก็อยู่ในอริยบทนั้นฝืนแก้ความกลัวไปความกลัวตรงนี้จะไม่เหมือนกับความกลัว อย่างที่ตอนแรกที่เราพูดถึงสมมุติว่าถ้าเรายังมีกายวาจาใจอาชีวะไม่บริสุทธิ์เนยังมีนิวรอยังมีการยกตนข่มท่านยังมีความเกียดคร้านยังมีจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเรามีความกลัวเกิดขึ้นอันนี้สมนำหน้าเกิดหมายความว่าสมควรแล้วเพราะว่าคุณมีกรรมชั่วอยู่ใช่ไหมกรรมชั่วนี้จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าอะไรเนะานนะความร้อนใจนีความร้อนใจ พอความชั่วนั้นทําให้เกิดความรำคใจก็คือความกลัวที่เราจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้ทีนี้ถ้าเปื่ว่าเราตัวเราดีแล้วตัวเราดีแล้วเราพอที่จะรักษาตัวเองให้ดีได้นะไม่มีความเกียดกรา้านเป็นกลนขยันหมันเปลียนนะไม่มีนิวาอะไรต่างๆแล้วยังกลัวอยู่ อ, อันนี้แหละคือกิเลส ท, ที่มันออกมาเราต้องจัดการกับมันด้วยการเผชิญหน้ากับมันอย่างเช่ น, นไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องถึงเวลานั่งสมาธิก็ได้เอาอย่างเช่นว่าคุณบางคนกลัวในการพูดในที่ชุมชนขึ้นเวทีแล้วมันกลัวเหลือเกิน นี่ก็เราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเรื่องที่เราพูดเราก็รู้อย่างดีเฮ้ยทำไมาเรายัางประหมาทอยู่เรายัางกลัวอยู่อันนี้แหละเราต้องจัดการด้วยการฝืนนั่งไปฝืนทําฝืนไปพูดในที่ชุมชนฝืนทําอะไรที่เรากลัวเนี่เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ขจัดความกลัวนี้ความกลัวตรงเนี้ยมันเป็นกิเลส น, นะมันไม่ใช่เหมือนกับความร้อนใจตรงนั้นคุณโยมคุณโยมตือเข้าใจไหมค่ะอะ ประเด็นตรงนี้ที่พระเจ้าพูดถึงสิบหกอย่างนะที่ว่าถ้าใครทำสิบหกอย่างนี้แล้วยังมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่อันนี้สมควรแล้วนะ<ม>แต่ถ้าคุณไม่มีสิบหกอย่างนี้แล้วคุณยังมีความกลัวอยู่ความกลัวที่เกิดขึ้นมาอย่างหลังเนี่ยอย่างที่ไม่มีสิบหกอย่างความชั่วสิบหกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอันนี้คุณจะต้องจัดการกับมันด้วยการฟื้นทําค่ะสิบหกอย่างมีอะไรคุณยมติยวค่ะพรนะเจ้าพูดถึงการที่มีกรรมทางกายวาจาใจอาชีวะสี่อย่างแล้วนะไม่บริสุทธิ นะมีนิวรณอีก5อย่างไม่บริสุทธิ์ก็เป็น9อย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่เกียดคร้านนะไม่มีสัมปชัญญะมีปัญญาซามเป็นคนมักหวาดเสียวมีความปรารถนาในลาบสการะพวกนี้ก็เป็น16อย่างนะถ้าเรามีไอ้สิ่งนี้อยู่ในใจนะคุณควรจะกลัวคุณควรจะกลัวคุณควรจะกลัวบาปอย่าไปทำแต่ถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณเลิกละแล้วแล้วคุณยังกลัวอยู่อันนี้เราต้องจัดการ อท่านคะอ่าเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราทํากรรมทากายวาจาใจอาชีวะสี่เรื่องอาชีวะสี่คืออะไรกันง่ะเออสี่อย่างไงคือกายวาจาใจและอาชีวะสี่อย่างนี้อ๋อและอาชีวะอัอเป็นสี่นะแล้วก็อนิวรณ์อีกห้าเป็นเก้าอย่างแล้วนะคือม่วงเหงาห้าอนอ่าความถีนามิทะความระแวงสงสัยจิตฟุ้งซ่านมีความปยาบาตรมีกรรมมีความกําหนัดในกามคือตัว่พวกนี้ห้าอย่างแล้ว ถั่วตัวอีกเป็นสิบอย่างใช่ไหมเกียรติค้าเป็นสิบเอดอย่างไม่มีสัมปชัญญะสิบสองมีจิตไม่ตั้งมั่นสิบสามีปัญญาเสื่อมสามสิบสี่แล้วก็มีจิตพยาบาทนะสิบห้าดิฉันได้ยินมักหวาดเสียวนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวใช่อะไรแล้วก็ตกใจอ๋อะไรก็ตกใจไม่มีสาระอ่าใช่พวกนี้ค่ะหวังลาบสการะอันเนี้ยงงค่ะหวังลาบสการะก็คือว่าคิดว่า เออจะให้คนเขามายกย่อ ง, องเรามีหวังทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเพื่อชื่อเสียงกินยิยศ์หวังลาบสการะอย่างเงี้ยนะโอนี่ก็เป็นเหตุปกติแห่งความกลัวเหรอคะอ่อใช่ อ, อือย่างอย่างประสงค์เนี้ยถ้าผมว่าคุณแกล้งที่จะถือทุ้ดงเขาวาดัดหรืออยู่ป่าคิดว่าจะให้คนอื่นเข้ามาเคารพสการะอ่าอันนี้อันนี้กวนกลัวเป็นบาปอันนี้เป็นบาปค่ะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทําแล้วสู้มันเลยถ้ายังกลัวอยู่ให้จัดการมันซะท่านการที่ฉันเนี่ยอืม ก็คงจะต้องกรับเดินถามท่านนะถามจริงๆว่าท่านเคยไหมคะว่ากลัวจากการนั่งสมาธิไหมคะแต่าน ไ, ไม่เคยกลัวเลยอ๋อหรอคะเราเราไม่ได้มีประสบการณ์นี้อืมค่ะ <c oughs> แล้วเคยเจอไหมคะประทานโทษนะคะแบบมันเข้ามาคือบางคนชอบพูดเลยคะ่ะว่านั่งสมาธิน่าเห็นโอ้โหเป็นอสูรกายชนิดที่ว่ายิ่งกว่าในหนังอีกอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องผีหรือเรื่องอะไรที่เราเห็นแล้วมันมากลัวกลัวเนี่ยนะ อันนี้คิดว่าจะมาพูดต่อในตอนต่อไปได้เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดหลายแง่มุมนะอันนี้ น, นี่อาตมากำลังพูดถึงความกลัวที่มันจะมากินใจของเรามันเหมือนกับสนิมที่มากัดกร่อนจิตของเราจะทำก็ไม่กล้าทำแล้วถ้าเราปล่อยค้างไปเรื่อยๆค้างไปเรื่อยๆเนี่ยนะจิตเราจะมีแต่อ่อนลงอ่อนลงอ๋อเดี๋ยฉันก็เลยตกใจนึกว่าเวลาจะหมดยังไม่หมดแต่เรื่องนี้ยาวถูกไหมคะ่ะฉนเลยจะพูดในโอกาสต่อไปแต่ว่าถ้าความกลัวพื้น นี้ก็ให้พิจารณาตัวเองสิบหกข้อนี้ไม่มีให้สู้ให้สูิผู้ อ, อีกประเด็นอีกนิดนึงที่พระเจ้ายังมีอีกถ้าเราพูดถึงความกลัวก็ต้องพูดถึงความกล้า ค, ความกล้าที่พระเจ้ามีในการที่สามารถประกาศธรรมจักนี้ได้เนี่ยก็คือพระองค์เนี่ยรู้เรื่องธรรมะนั้นอย่างดีนะคือไม่ไม่มองเห็นใครในในโลกนี้เลยทั้งสามโลกเนี่ยเทวดาเทพมารรมหรือใค ร, ใครเนี่ย จะมาต่อด้านพระองค์ด้วยสิ่งที่ประกาศได้ว่าอันนี้ทำแล้วชั่วนะปรากฏคนอื่นไปทําแล้วไม่ชั่วเนี่ยมันไม่มีพระองค์จึงมีความกล้าหาญเพราะฉะถ้าเรารู้ในเรื่องนั้นอย่างดีเนี่ยมีแพทย์คนหนึ่งก็าเล่าให้อดัมาฟังเขาต้องไปประชุมไปนําเสนอผลงานของเขาเนี่ยนะต่อหน้าหน้าแพทย์เนี่ยเป็นหลายๆพันคน่ะแพทย์คนนั้นก็พอจะขึ้นเวทีปุ๊บก็มีความประมาทเพราะมีความประมาทนี้ก็มีอาจารย์แพทย์คนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยคุณรู้เรื่องนี้ดีที่สุดคุณจะต้องไปกลัวอะไร นะพอเขาได้สตินี้ปุ๊บเขาก็ไม่กลัวแล้วนะขึ้นพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญนะความากล้าตรงเนี้ยจึงละสละความกลัวนั้นได้เพราะว่าตัวเองรู้เรื่องนั้นอย่างดีค่ะ น, นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะสามารถถ้ามีความกลัวประเภทชนิดที่ว่าไม่เป็นอกุณธรรมแล้วนะแล้วคุณมีความกลัวอยู่ให้คุณใช้ตรงนี้เพิ่มเพิ่มด้วยเราจะละความกลัวนั้นด้วยได้ว่าเรารู้เรื่องนี้อย่างดีเราก็ไม่ต้องกลัวใคร ปรนนี้ก็คือในเรื่องเบื้องต้นเรื่อง<ต>ความกลัวครัข้อเดียวนะเลยแหละเขรู้เรื่องนั้นอย่างดีะจะมีมอีกมี4อย่างที่พุทเจ้าพูดถึงข้อที่1ที่เราพูดเรื่องนั้นก็คือความกล้าเนี่ยนะคือหนึ่งเรารู้เรื่องนั้นอย่างดีนะสพุทเจ้าพูดถึงความที่ตัวพระองค์เองเนี่ยอบอกว่าตัวพระองค์เป็นสมมาสมุทาใช่ไหมแล้วจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมมาสมุทธาอันนี้ควรจะกลัวเพราะฉะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกั บ, บในชีวิตเราก็คือว่าถ้าเราพูดว่าเรารู้เรื่องนี้ดีจริงๆแต่เรรราไมู่่้จิงอะ คือไม่ใช่เป็นความรู้ที่เรารู้เกิดขึ้นเองในตัวเราหรือบางทีเราจําคนอื่นเขามาพูดเป็นความรู้ของคนอื่นนะตามหนังสือมาเนี่ยนะเรายังไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆอันนี้คุณควรจะกลัวแต่ถ้าคุณรู้เรื่องนั้นจริงๆเป็นวินยูชนและววินยูนี่คือความรู้ไม่ใช่แค่ปัญญาชนนะอันนี้เราให้มีความมั่นใจได้อันนี้คือข้อที่สองข้อที่3ที่พระเจ้าพูดถึงก็คือว่าธรรมะเราใดนะที่จะเป็นทำอันตรายให้คนอื่นได้เนี่ยธรรมะนั้นไม่ทําอันตรายให้กับคนอื่น คือเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยหมายความว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้เราไม่ต้องกลัวใครเลยแต่ถ้าเราพูดไปแล้วเอ้ยมันยังเป็นไปอย่างอื่นที่ไม่แน่ไม่นอนอย่างเงี้ยเราคุณจะกลัว ค, คุณยอมถิวเข้าใจเนา ะ, ะแล้วก็พูดถึงประโยชน์ในแง่ของประโยชน์ว่าเรื่องนี้ทำประโยชน์ให้คุณได้จริงๆแล้วมันทาได้จริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวใครเลยอ่นี่คือกสี่ข้อใช่เวสาลัชยานสี่ คือยานความรู้ในการที่จะทำให้เราไม่กลัวมีความกลา้าเกิดขึ้นค่ะนั้ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องกลัวคือว่าเราต้องรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนั้นใ ช, ใช่ใช่ในะคะแล้วก็รู้จริงๆเมือนกคือรู้ของถูกกับางทีบอกว่ารู้แต่อาจจะยังรู้ของผิดอยู่ใช่แล้วเรื่องผิดถูกเนี่ยค่ะทํายังไงถึงจะรู้ว่ามันถูกเลยคะท่านคะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกั บ, กบคําสอนของพระพุทธเจ้า นะ ค, คือเราก็ไม่รู้สมมุติคนนี้ก็บอกอันนี้เป็นคําสอนพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นคําสอนพุทธเจ้านะเราต้องมาเปรียบเทียบกันว่ามันลงกันได้ไหมนะถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ละแต่ถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนั้นถูกต้องแล้วให้ทรงจําคำเหล่านั้นไว้แล้วจะหาตรวจสอบได้ที่ไหนยังไงนะคะก็ดูตามคัมภีร์พระเถรปิดกก็ได้ส่วนที่เป็นพุทธประชนะก็จะมีหรือว่าฟังรายการนี้ก็ได้เรากพยายามที่จะเอามาบอกสอนให้ฟังกัน ค่ะหรือว่าจะส่งไปถามท่านไพบูลให้ช่วยเช็คให้เงี้ยท่านทําให้ไหมคะสาธุค่ะข อ, ขอประทานโทษเลยครัก็จะตรวจสอบให้ได้นะถ้าที่จะตรวจสอบไม <c oughs> ่ได้ก็พอทําได้อยู่ค่ะที่เพียวธรรมะ d com 106 <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้ว uh, ท่านก็ตรวจสอบด้วยตัวเองได้พอสมควรอย่างไรนะคะท่าสมมติมีหนังสือพระไตรปิฎกเล่มนึงละโอคุณเปิดได้เลยนะคำสอนหมวดต่างๆมีระบุไว้ถ้าต้องการเครื่องมือเครื่องม้ในการช่วยเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้โอ้โหเต็มที่เลย นักวิจัยเว็บไซต์ไหนก็จะมีลิงก์ไปเว็บไซต์ที่มันตรวจสอบข้อมูลได้อยู่แน่นอนเครระดังที่เครค่ะและนีก็เป็นอีกวันหนึงนะคะของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะในช่วงที่พระอาจารย์เพรบุญอภิปุโนะมรดปาดอนหายโศอุดรธานีมาตอบปัญหาให้กับความข้องใจทุกๆความข้องใจท่านก็คงจะปฏิบัติกันได้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปกลัวเพราะรู้แล้วนะคะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไร กราบนมัส ก, การขอพระคุณท่านอย่างยิ่งค่ะเยียบานการท่านฟังที่เ ค, รคารพคะดิฉันสันนินาคพง์รายการนี้สรนนิสนทนาค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งทาง FM 106แห่งนี้ใครจะติดต่อทางโทราศาัพท์มาถามคําถามของรายการก็0 2 2 6 9สองสและเบอร์เดียวกันนี้ท่านยังจะสามารถขอหนังสือพุทธวัจนะไปศึกษาคําของพระศาสดา ได้ด้วยนะคะก็เป็นอภินันธนาการจากวัณพาพงศ์พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะพุทธัต ส, สวัสดีค่ะ